โยคุลวักหมวดว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนเหล็กที่ถูกไฟเผาหนึ่งมักคสูตรว่าด้วยทางแห่งการเจริญอิธิบาทเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดแดงนี้ว่าอะไรหนอเป็นมัก อะไรเป็นปฏิปทาแห่งการเจริญอิธิบาทภิกษุทั้งหลายต่อมาเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าฉันทะของเราจะไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปไม่หดหูในภายในไม่ส่านไปในภายนอก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 Utan, จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารและถึง 3. จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขาร 4. จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าวิมังสาของเราจากไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปไม่หดหูในภายในไม่ร่านไปในภายนอก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 เมื e ่ออธิบายสี uh ่ประการที่ภิกษ e. ุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เมื่ออธิบาทสีประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุจึงทาให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมรรคสูตรที่หนึ่งจบแม้อภิญญาทั้งหกก็พึงให้พิสดารสอง อโยคุลสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนเหล็กที่ถูกไฟเผาเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนณน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงทราบอยู่หรือว่า พระองค์มีพระวรากายเป็นมโนใหม่ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยฤทธิ์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน o ์เราทราบอยู่ว่าเรามีกายเป็นมโนใหม่เข้าถึงพรหมโลกด้วยฤทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงทราบหรือว่าพระองค์มีพระวรกายที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่นี้ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยฤทธิ์อาน o ์ เราทราบอยู่ว่าเรามีกายที่ประกอบด้วยมหาพุทธรูปสี่นี้เข้าถึงพรหมโลกด้วยฤทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระองค์มีพระวรกายเป็นมโนใหม่ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยฤทธิ์และทรงทราบว่ามีพระวรกายที่ประกอบด้วยมหาพุทธรูปสี่นี้ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยฤทธิ์ อาโนนพระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้อัศจรรย์และประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์เป็นผู้ไม่เคยมีและประกอบด้วยธรรมที่ไม่เคยมีสมัยใดตถาคตตั้งกายไว้ในจิตหรือตั้งจิตไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาความหมายรู้ว่าสบายและละหุสัญญาความหมายรู้ว่าเบาในกายอยู่สมัยนั้น กายของตถาคตย่อมเบากว่าอ่อนกว่าควรแก่การงานกว่าและผุดพองกว่าก้อนเหล็กที่ไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมเบากว่าอ่อนกว่าควรแก่การงานกว่าและผุดพองกว่าแม้ฉันใดสมัยใดตถาคตตั้งกายไว้ในจิตหรือตั้งจิตไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้น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 คือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้และถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายซึ่งเบาถูกลมพัดก็ลอยจากพื้นดินขึ้นสู่อากาศโดยไม่ยากเลยแม้ฉันใดสมัยใดต ถ, ถาคตตั้งกายไว้ในจิตหรือตั้งจิตไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาในกายอยู่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 สาิกขุสูตรว่าด้วยเหตุที่ทําให้ภิกษุได้วิมุตติภิกษุทั้งหลายอิธิบาท4ประการนี้อิธิบาสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. จเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิปรธานสังขาร 4. จเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารอิธิบาท4ประการ น, นี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอิธิบาท4ประการ น, นี้ที่ภิกษุนั้นจเจริญ ทำให้มากแล้วภิกขุสูตรที่สจบ 4. สุทิกะสูตรว่าด้วยอิธิบาทลวนภิกษุทั้งหลายอิธิบาส4ีประการนี้อิธิบาส4ีประการอะไรบ้าง คือพิสุในธรรมวินัยนี Aww, ้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปรธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารอิธิบาท4ประการนี้ สุติกะสูที่สจบ 5. ปฐมมภพละสูตรว่าด้วยผลแห่งการเจริญอิทธิบาทสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอิทธิบาทสีประการนี้อิทธิบาทสีประการอะไรบ้าง คือพิสูในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารอิทธิบาท4ประการนี้ ภิกษุทั้งหลายเพราะอิทธิบาสีประการนี้ที่ภิกษุนั้นเจริญทำให้มากแล้วภิกษุพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อ ย, ยังมีอุปท า, านเหลืออยู่ก็จกเป็นพระอนาคามีบทมพมภะสูตรที่หจบ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 จเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิปธานสังขาร 4. จเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารอิธิบาสีประการนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะอิธิบาสีประการนี้ที่ภิกษุนั้นจเจริญทำให้มากแล้วภิกษุพึงหวังพลาณิสงเจตประการพลาณิสงเจตประการอะไรบ้างคือ 1. จะได้บรรลุอรหัตผลทันทีในปัจจุบัน 2. หากไม่ได้บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันจะได้บรรลุในเวลาใกล้ตาย 3. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี 4. ละถึงก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายี 5. ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายี 6. ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้สังขาระปรินิพพายี 7. ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุทังโสโตอกนิทัคามีเพราะโอรัมภิกยะสังโยตห์5ประการสิ้นไปภิกสุทั้งหลายเพราะอิทธิบาสีประการนี้ที่ภิกสุนั้นเจริญทำให้มากแล้ว ภิกษุพึงหวังพราณิสงเจ็ประการนี้ทุติยะพระสูตรที่หจบ 7. ปฐมมอนันทสูตรว่าด้วยพระอานนทสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวถี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 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงริดได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้และถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทธิอิทิบาทเป็นอย่างไรคือมรดปฏิปทาใดเป็นไปเพื่อได้ริดเพื่อได้เฉพาะซึ่งริดนี้เรียกว่าอิทิบาท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 นี้เรียกว่าอิธิบาทภาวนาปฏิปทาที่ถึงอิธิบาทภาวนาเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ดได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิและถึง 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าปฏิปทาที่ถึงอิธิบาทภาวนาปฐมมันััตสูที่7จจบ ติยอนันทสูตรว่าด้วยพระอานนุนสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่นพระอานนท์ผู้นั่งอยู่ณที่สมควรว่าอานนท์อิทธิเป็นอย่างไรอิทิบาตเป็นอย่างไรอิทิบาตภาวนาเป็นอย่างไรปฏิปทาที่ถึงอิทิบาตภาวนาเป็นอย่างไรท่านพระอาห น, นุนทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 คือมักใดปฏิปทาใดเป็นไปเพื่อได้ริษเพื่อได้เฉพาะซึ่งริษนี้เรียกว่าอิธิบาตอิธิบาตภาวนาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิธิบาต ท, ที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. เจริญอิธิบาต ท, ที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3.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 นี้เรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงอิธิบาทภาวนาทุติยะอนันทสูตรที่8จบ 9. ปม้มมาภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุสูตรที่หนึ่งครั้งนั้น ภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าค้าแต่พระองค์ผู้เจริญอิทิเป็นอย่างไรอิทิบาทเป็นอย่างไรอิทิบาทภาวนาเป็นอย่างไรปฏิปทาที่ให้ถึงอิทิบาทภาวนาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงริษได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงโพรหมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทธิอิทิบาทเป็นอย่างไรคือมักใดปฏิปทาใดเป็นไปเพื่อได้ริษเพื่อได้เฉพาะซึ่งริษนี้เรียกว่าอิทิบาท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 นี้เรียกว่าอิธิบาทภาวนาปฏิปทาที่ถึงอิธิบาทภาวนาเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้เรียกว่าปฏิปทาที่ถึงอิธิบาทภาวนาปฐมมัพพิคุสูที่9จบ ทุติยะภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุสูตรที่สองครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอิทธิเป็นอย่างไรอิทิบาทเป็นอย่างไรอิทิบาทภาวนาเป็นอย่างไร ปฏิปทาที่ให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำและถึงภิกษุทั้งหลายอิทธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทิอิ ท, อทิบาทเป็นอย่างไรคือมรดปฏิปทาใดเป็นไปเพื่อได้ฤทธ์เพื่อได้เฉพาะซึ่งฤทธ์นี้เรียกว่าอิทิบาทอิทิบาทภาวนาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานนสังขาร 3. จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขาร 4. จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานนสังขารนี้เรียกว่าอิทธิบาทภาวนา ปฏิปทาที่ถึงอิธิบาทภาวนาเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ดนี้แลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าปฏิปทาที่ถึงอิธิบาทภาวนาทุติยภิกขุสูตรที่10ิบจบ โมคคลานสูตรว่าด้วยพระโมคคลานะณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุโมคลานะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะทําเหล่าไหนที่เธอจเจริญทําให้มากแล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำและถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุโมคลานะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะอิทธิบาสีประการที่ภิกษุโมคลา น, นั้นเจริญทำให้มากแล้วอิทธิบาสีประการอะไรบ้างคือในธรรมวินัยนี้ภิกษุโมคลานะ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 เบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ด้วยประการะชนีสอเจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารและถึง3เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขาร4 เจริญอธิบารที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าวิมังสาของเราจะไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปไม่หดหูในภายในไม่ซ่านไปในภายนอกและถึงมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ด้วยประกาศนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุโมคลานะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ อิธิบาสีประการนี้ที่ภิกษุโมคลาณนะนั้นเจริญทําให้มากแล้วภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุโมคลาณนะแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ละถึงใช้อํานาจทางกายไปจนถึงโพรโมโลกก็ได้เพราะอิธิบาสีประการนี้ที่ภิกษุโมคลาณะเจริญทําให้มากแล้ว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 สิองตถาคตสูตรว่าด้วยพระตถาคตณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรตถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะทำเหล่าไหนที่ตถาคตเจริญทําให้มากแล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า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 เบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสังกัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ด้วยประการฉนี้สองเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิประธานสังขารและถึงสามเจริญอิทธิปาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าวิมังสาของเราจะไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปมีใจสงบไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ด้วยประการฉนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะอิธิบาสี่ประการ น, นี้ที่ตถาคตเจริญทําให้มากแล้วภิกษุทั้งหลาย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 เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอิทิบาสี่ประการนี้ที่ตถาคตเจริญทำให้มากแล้วตถาคตสูตรที่สิบสองจบแม้อภิญญาทั้งหกก็พึงให้พิสดารอโยคุลวักที่สามจบ พระสูตรที่มีในวรดนี้คือ 1. มัคคสูตร 2. องอโยคุลสูตร 3. ามพิขุสูตร 4. สุธิกะสูตร 5. ปฐมภะละสูตร 6. ทุติยภละสูตร 7. จ็ดปฐมานันทสูตร 8. ทุติยานันทสูตร 9. ก้าปฐมพิขุสูตรสิ ทุติยะพิขุสูตรสิบเอ็ดโมคคลานสูตรสิบสองตถาคตะสูตร 4. ค่คังคาปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาปยาน หนึคังคานาทีอาทิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ําคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ําคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอิทธิบาสสีประการ ทำอิธิบาสีประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอิธิบาสีประการทำอิธิบาสีประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรเพือภิกษุในธรรมวิไนนี้ 1. จเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. จเจริญ อ, ทท อ, อิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจเจริญอิธิบาท4ประการทำอิธิบาท4ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่ recovery, นิพพานน้มไปสู่ recovery, นิพพาน โอนไปนสู่นิพพานอย่างนี้แลข้างคานาทีอาทิสูตรที่หนึ่งถึง12บจบ้างคาไปยานลววัคที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. ปฐมปาจีนิณสูตรสองถึงหทุติยาที่ปาจีนิณสุตตะจตุกะ 6. ฉัฏฐปาจีนิณสูตรเจ พุทมธมสมุทธานิณสูตร 8-12 ทุติยาที่สมุทธานิณสุตระปัญจกะอัปมาทวักพึงให้พิดารรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งตถาคตสูตร 2. ปะทะสูตร 3. กูตะสูตร 4. มละสูตร 5. สาระสูตร 6. วสิกะสูตร 7. ราชาสูตร 8. จันธิมะสูตร 9. สุริยะสูตร 10. วัะสูตรพละกรณียวัฒ์พึงให้พิดารรวมพระสูตรที่มีในวรรนี้คือ หพระสูตร 2. อพีชะสูตร 3. นาคสูตร 4. ีรุขสูตร 5. กุมพสูตร 6. สูกะสูตร7อากาศสูตร 8. ปดฐมมะเมฆสูตร 9. ทุติยะเมฆสูตร 10. นาวาสูตรสิออาคันตุกะสูตร12บนทีสูตร เอสนาวัคพึงให้พิดารรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อาศสวะสูตร 4. ภพะวสูตร 5. ทุกตาสูตร 6. ขีละสูตร 7. มละสูตร 8. นีขะสูตร 9. เวทนาสูตร 10. ตันหาสูตร 11. ตดตสินาสูตร 8. โอคะวัคหมวดว่าด้วยโอคะหนึ่งถึง 10. โอคาที่สูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย อุทธรัรมภักิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง5ประการนี้อุท ร, รัมภักขิยสังโยชน์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปปราคะ 2. อรูปปราคะ 3. มานะ 4. อุทต จ, จักจ้าอวิชชาอุท ร, รัมภักิยสังโยชน์ห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาส4ประการเพื่อรู้ยิ่ง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 สเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปทานสังขารพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิธิบาท4ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุด ธ, ธรรมภักดยสังโยดห้าประการนี้พึงเพิ่มข้อความให้พิดารเหมือนมัคสังยุตโอคาที่สูตรที่ 1-10 ถึงสิจบโอควักที่8ด รวมพระสูตรที่มีในวรรมนี้คือ 1. โอคสูตร 2. โยคสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันทสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กามคุณะสูตร 7. นิวรณสูตร 8. อุปาทานขันทสูตร 9. โอรัมภาคยะสูตร 10. บอุทธรมภาคยะสูตร อิทิปาทัศงยุทธที่เจ็ดจบ